อิติปิโสของแต่ละคนไล่ผีได้ผลต่างกันอิติปิโสมีความคลังตามจิตของผู้สวดจิตของผู้สวดแบ่งได้เป็นสองชนิดหลักๆคือสวดละจิตมืดกับสวดละจิตสว่างจิตมืดเกิดจากการหลับหูหลับตาสวดด้วยความฟุ้งซ่านหวาดเกรงเต็มไปด้วยโทสะแห่งความกลัวหรือเต็มไปด้วยโลภะ แห่งความจะเอาดังใจจิตสว่างเกิดจากฐานของความเมตตาเป็นผู้มีปกติให้ทานเป็นผู้มีปกติรักษาศีลหรือให้สุดยอดคือเป็นผู้มีปกติเจริญสติภาวนาเมื่อเปล่งวาจาสวดก็มีคิดอะไรมากกว่าถวายพรถวายคาสดุดีสรรเสริญด้วยอาการบูชาคารวะ กระทั่งจิตรวมเป็นมาหากุศลเต็มดวงเหมือนกลายเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์เสเองด้วยอำนาจแห่งกุศลธรรมที่กลมกลืนกันเหมาะจะเป็นที่ประดิษฐานของพลังทางพุธได้สมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนแม้เมื่อเหล่าภิกษุ ป, ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเจอผีเจอสางดุดู ก, กันทั่วนหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้สาธยายมนในแบบที่ไม่ใช่ไปรบกับผี ไม่ใช่ไปปราบผีไม่ใช่ไปอวดฤทธิ์อวดศักดา ว, ว่าข้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าแต่เป็นการสาธยายในแบบให้ทบทวนตนเองว่ามีคุณสมบัติดีๆที่ทำให้ผีรักอยู่บ้างหรื อ, อยังซึ่งก็ล้วนเป็นไปในทางอ่อนน้อมถ่อมตนรู้หน้าที่ของผู้มีแต่ให้ทั้งสิน้นมวนที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ภิกษุดังกล่าวปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อกรรณียเมตสูตร สวดแบบพุทธจึงเป็นการสวดแบบให้ไม่ใช่สวดแบบขอถ้าตั้งจิตถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาจนพลังเมตตาก่อตัวขึ้นเหมือนกร อ, อกแก้วแผ่รัศมีสว่างอบอุ่นผ่องใสสิ่งแากที่เกิดขึ้นคือความกลัวที่เกาะกลุ่มจิตใจหายก่อนเมื่อผีที่เกิดจากความกลัวภายในหลุดกระเด็นได้เมื่อใดผีร้ายภายนอกก็หลุดกระเด็นได้เมื่อนั้น พูดง่ายๆเ้อไล่ผีกลัวภายในจิตใจตัวเองได้ก็ไล่ผีของจริงนอกตัวได้สังเกตเถอะสวรขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพิทักษ์ความเห็นแก่ตัวไม่หายไปไหนจิตไม่แพ้ยังพร้อมหดด้วยอาการกลัวจิตมืดไม่เหมาะจะเปล่งอนุภาพของอิติปิโสต่างจากจิตที่สวดถวายพร ขอสรรเสริญคุณในวิเศษแห่งพระรัตนตรยัยไม่ได้ตั้งใจขับไล่สาส่งใครลักษณะจิตจะแผ่ออกเป็นเมตตาซึ่งพลังที่ออกไปในลักษณะผูกมิตร ย, ย่อมยังจิตวิญญาณที่กร้าวกระด้างให้ใจอ่อนลงอย่างที่หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเคยกล่าวว่าที่อิติปิโสคลังนักก็เพราะอนุภาพของบทสวดปรุงแต่งจิตผู้สวดให้เกิดเมตตา แผ่เมตตาให้แล้วผีดูดที่ไหนก็กลายเป็นมิตรหมด